การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนมีการเรียนจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากเราจึงมีชั้นอนุบาล มีชั้นปฐมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาเพราการพัฒนาจิตใจจาเป็นจะต้องมีการกระทําที่ยากง่ายต่างกันไปตามลำดับเป็นการเดินขึ้นบันได มันใดก็มีเป็นขั้นๆให้เราเดินขึ้นมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเพื่อจะได้เดินขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับจะข้ามขั้นตอนนั้นก็จะยากและอาจจะล้มเหลวทาไม่สาเร็จ ถ้าทำตามขั้นตอนมันจะง่ายและมันก็จะสำเร็จได้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราพัฒนาจิตใจท่านก็สอนเป็นขั้นๆเพราะกำลังของใจที่ปฏิบัตินั้น มีน้อยในตอนเริ่มต้นเหมือนเด็กที่ไปโรงเรียนเด็กเล็กมีกำลังวังชาน้อยมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กโตก็เลยต้องเริ่มที่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยขยับสู่ชั้นประถมมัธยมตามลาดับ ถ้าไปเริ่มที่ชั้นมัธยมเลยเด็กเล็กเด็กน้อยก็จะไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะความสามารถหรือกำลังที่จะรับรู้ไม่มีพ อ, อใจก็เหมือนกันใจที่จะปฏิบัตินั้นก็มีกำลังมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่เมื่อเริ่มต้นก็จะมีกำลังน้อยแล้วเมื่อได้ปฏิบัติกำลังก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเป็นขั้นไปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีสอนในหลายระดับหลายขั้นด้วยกันถ้าเราไม่รู้ว่าท่านสอน นักปฏิบัติในระดับไหนแล้วเราเอามาปฏิบัติกับเราอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ถ้าจิตเราอยู่ขั้นต่ําไปอ่านคําสอนในทำระดับขั้นสูงแล้วเราเอามาปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติไม่ได้คือไม่ได้ผลปฏิบัติได้ แต่ไม่ได้ผลถ้าเราอยู่ในธรรมที่ขั้นสูงถ้าจิตเราอยู่ในระดับสูงเราไปเอาธรรมระดับต่ำมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะประโยชน์ที่เราต้องการมันมากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากธรรมขั้นต่ำเห็นเรา ผู้ปฏิบัติบางทีก็ต้องสังเกตดูว่าเรานั่นเหมาะสมกับธรรมระดับไหนความจริงธรรมก็มีแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ๆคือระดับหนึ่งเรียกว่าระดับนักบุญระดับที่สองเรียกว่าระดับนักบวช กาปฏิบัติของระดับนักบุญกับระดับนักบวชนี่ก็จะไม่เหมือนกันระดับนักบุญนี่ก็จะมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลหน้าเป็นเป็นการปฏิบัติส่วนระดับนักบวชนี่เป็นระดับที่มีการ ปฏิบัติในศีลที่สูงกว่าศีลห้าคือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดแล้วก็มีการภาวนาสมถภ า, าวนาทำจิตให้สงบวิปัส น, ป ส, ปสนาภาวนาสอนจิตให้ฉลาด ให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นไตรลักษณ์นี่คือความแตกต่างระหว่างสองระดับของการปฏิบัติแต่ผู้ที่อยู่ระดับนักบุญจะไปภาวนาบ้างก็ได้แต่การภาวนาก็ไม่ได้เป็นการภาวนาเป็นแบบเป็นกรอบเป็นกรรม จะเป็นในลักษณะของมือสมัครเล่นมากกว่ามืออาชีพนะผู้ที่เป็นนักบวญเนี่เขาภาวนาเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพเขาทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับศนะีลเขารักษาศีลแปดขึ้นไปตั้งแต่ตื่นจนหลับส่วนนักบุญนี่อาจจะเลือกวันใดวันหนึ่ง เช่นวันที่ไม่ต้องทำงานแล้วก็เปลี่ยนจากการถือศีหน้ามาถือศีนแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปภาวนาสักคืนหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนอันนี้เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่น เป็นการซ้อมเป็นการฝึกเป็นการหัดไปมากกว่าการจะลงสนามจริงนี่คือการปฏิบัติที่มีการปฏิบัติเหมือนกันแต่ความเข้มข้นไม่เหมือนกันเมื่อความเข้มข้นไม่เหมือนกันผลที่เกิดจากการปฏิบัติย่อมไม่เหมือนกันถ้าปฏิบัติเข้มข้น ผลต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าปฏิบัติแบบไม่เข้มข้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลอะไรมากนักได้เหมือนกับน้ำผลไม้ที่เดี๋ยวนี้มีทั้งร้อยเอร์เซกับสิบเปอร์ซนเนี่ยห้าสิบเอร์ซนเราก็จะรู้ว่ารสชาติของน้ำผลไม้นั้นมันต่างกันอย่างไร รสแห่งธรรมก็อย่างนั้นถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นแบบสิบเอร์เซนต์นี้รสแห่งธรรมมันก็จะได้แค่สิบอร์ซนผสมกับน้ำอีกเก้าสิบอร์ซนแต่ถ้าปฏิบัติแบบเข้มข้นไม่เติมน้ำเลยมันก็จะได้ร้อยเอร์ซนสแห่งธรรมนี่คือการปฏิบัติที่ ปฏิบัติอย่างเดียวกันแต่ต่างกันที่ความเข้มข้นนักบุญนี้จะเข้มข้นในการทำบุญนักษาศีลห้าคือถ้าเป็นนักบุญจริงๆนี้ต้องทำบุญเป็นนิสัยทำบุญเป็นปกติคือไม่เอาเงินไปใช้อย่างอื่นมีเงินมีทองเอาไปทำบุญ ถ้ายังเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋ารองเท้าอซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นนี่ยังไม่ถือว่าเป็นนักบุญยังไม่ขึ้นเป็นนักบุญเข้มขน้นถ้ายังไปซื้อกระเป๋ารองเท้าไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบผสมผสมน้ะ อาจจะทำบุญสิบเอร์เซ็นตแล้วก็เอาไปเที่ยวไปใช้จ่ายทางกิเลสตัณหาสะกเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ก็จะได้ลดแห่งธรรมเพียงสิบเปอร์เซ็นตยังไม่ถือว่าเป็นนักบุญจริงถ้าเป็นนักบุญนี่จะต้องทำบุญอย่างเดียวมีเงินมีทองนี่ที่ไม่ต้อง ใช้กับสิ่งที่จําเป็นก็ะจะเอาไปทําบุญไม่เอาไปเที่ยวไม่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ไปซื้อของหรูหราบางคนมีเงินไปซื้อรถกัดละศิบล้านเนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะแล้วก็ทําบุญแสนหนึ่งถ้าคนเป็นนักบุญเนี่ต้องทําบุญหกล้านไม่เอาเงินไปทําอย่างอื่นะ ถึงจะเรียกว่าเป็นนักบุญเข้มคน้นนักบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะได้รับประโยชน์จากการทำบุญอย่างเต็มที่เพราะการทำบุญนี้เป็นการเป็นการขั้นปฏิบัติขั้นแรกที่จะพาให้เร า, าก้าวจากการเป็นนักบุญไปสู่การเป็นนักบวชนั่นเอง พระผู้ที่จะไปเป็นนักบวชนั้นจะต้องสละทรัพย์เงินทองที่มีไปหมดนะพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสพอท่านไปบวชท่านก็สละราชสมบัติทำเงินทาบุญทำทานร้อยเปอร์เซนตเข้มข้นมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่เอาไปสละหมดนี่คือ การเป็นนักบุญที่แท้จริงต้องพัฒนาจากนักบุญร้อยละสิบขึ้นไปเป็นนักบุญร้อยละร้อยตอนต้นตอนนี้เราเริ่มต้นเราอาจจะทำบุญร้อยละร้อยไม่ได้เพราะเรายังอยากไปเที่ยวกันอยู่่หยุดสามวันเนี่ยคนก็เริ่มจองตัว๋วแล้วจองที่พักจะไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง บางคนก็คิดว่ามาทำบุญดีกว่ า, าก็เลยไม่ไปเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทำบุญ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอทำกันถ้าไม่มีการบอกการสอนบางทีก็จะไม่เข้าใจก็จะทำกันแค่ พอหอมปากหอมคอมันก็จะติดอยู่มันก็จะไม่ก้าวขึ้นไปสู่ทาขั้นสูงได้ปฏิบัติกี่ปีกี่ปีก็อยู่ในระดับเดียวเลยทำบุญร้อยละสิบก็ทําบุญร้อยละสิบไปแล้วก็อีกเก้าสิบก็เอาไปใช้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆอยากดูอะไรก็ไป ซื้อมาดูอยากฟังอะไรก็ไปซื้อมาฟังอยากได้อะไรก็ไปซื้อมา <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่เพราะความสุขที่ได้จากการซื้อมันหมดไปของที่ซื้อมาไม่มีความหมายเสียแล้วไม่ให้ความสุขเสียแล้วไม่เหมือนตอนที่มันอยู่ในร้านเห็นมาแล้วแหมมันน่าพิศวาส แต่พอได้มาแล้วดีใจเดียวเดียวเราก็เก็บเข้าตู้เราก็ต้องไปเดินตามร้านตามห้างใหม่พอเห็นของใหม่อยู่ในร้านอยู่ในห้างก็อยากได้ขึ้นมาก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อจนของล้นบ้านของเต็มบ้านแต่ความสุขที่ได้จากของเหล่านั้นมันหายไปหมดนะ ก็ไม่เข้าก็ไม่ไม่สนใจที่จะคิดว่าความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขแบบไหนกันแนะ่เป็นความสุขจริงหรือเป็นความสุขปลอมถ้าเป็นความสุขจริงมันต้องมีอยู่กับเราเหมือนตอนที่เราได้มาวันที่เราไปซื้อมาแต่พอซื้อมาแล้ววันสองวันความสุขที่ได้จากของที่เราไปซื้อมันหายไปไหนอะมันหายไปหมดแล้ว มันจึงทำให้เราต้องซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาซื้อนี้มาโมันดีใจมันมีความสุขนี่คือเรื่องทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทาบุญเพราะถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะติดอยู่กับการใช้เงินซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขชั่วคราวกันแล้วก็จะทำให้เรา ต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองกันมาใช้กันอยู่เรื่อยๆถ้าเรายัางต้องหาเงินหาทองอยู่เพื่อที่จะมาซื้อของต่างๆตามความอยากเราอยู่เราก็จะไม่มีเวลาก้าวขึ้นไปเป็นนักบวชได้เราก็จะติดอยู่กับในระดับนักบุญก็ไม่ใช่นักบุญที่ที่แท้จริงถ้านักบุญที่แท้จริงนี่ก็จะ ก้าวขึ้นสู่นักบวชได้แต่เป็นนักบุญแบบสมัครเล่นทำบ้างแบ่งแบ่งให้กิเลสตัณหาสักเก้าสิบทำบุญสักสิบอย่างนี้ก็จะไปไม่รอดคือจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ทำระดับสูงได้ระดับเข้มขน้นระดับนักบวชได้ ก็จะติดอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าอยากจะไม่ติดก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นชั้นชั้นจากชั้นอนุบาลก็ต้องขยับขึ้นชั้นปฐมทำบุญก็ต้องเพิ่มปริมาณของการทำบุญให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนต้นอาจจะเริ่มที่ร้อยละสิบ ครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบนะเอาเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาทำบุญพยายามดึงเอาเงินทองที่จะไปใช้กับความอยากนี้มาใช้กับการทำบุญเพื่อที่เราจะได้ลดความอยากที่จะซื้อข้าวซื้อของลงไปนั่นเองเมื่อเรามีความอยากจะซื้อของน้อยเราก็ไม่ต้องหาเงินมาก เราก็จะลดการทํางานได้ลดเวลาของการทํางานได้ทําให้เรามีเวลาเพิ่มที่เราจะม า, าฝึกภาวนากันได้ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่แต่เรายังสามารถที่จะเพิ่มเวลาของการภาวนาเช่จนจากหนึ่งวันอาทิตย์ต่อหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันสี่วัน เพิ่มไปเรื่อยๆด้วยการลดการใช้เงินทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินทองมากเมื่อไม่ใช้เงินทองมากก็ไม่ต้องทำงานมากเมื่อไม่ทำงานมากก็จะมีเวลาที่จะมาภาวนาได้มากขึ้นมีเวลาที่จะมารักษาศีลแปดได้มากขึ้น สีห้าก็เหมือนกันสีนห้าถ้ายังรักษาไม่ครบมันก็จะก้าวไปสู่สีแปดได้ยากทำบุญทำทานรักษาสีห้านี่ก็ต้องทำเพิ่มขึ้นไปจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบพยายามรักษาสีให้ให้ได้มากขึ้นยาวขึ้นนานขึ้นบางทีรักษาได้วันหนึ่ง บางทีรักษาได้สองวันต่ออาทิตย์บางทีบางคนขอรักษาศีลห้าให้ครบห้าข้อในวันพระแต่วันอื่นขอขอสมวนไว้ก่อนขอทําบาบ้างยังอยากจะดื่มสุราบางทีเพื่อนฝูงชวนไปเที่ยวชวนไปกินไปดื่มถ้าถ้าถือศีลห้าก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ดื่มสุราก็ไปไม่ได้ ก็ยังรักเพื่อนรักฝูงอยู่ยังมีความสนุกมีความสุขกับเพื่อนฝูงอยู่ก็เลยไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาอาดํานักบุญนี้ก็คือต้องพยายามทําบุญให้ได้เต็มร้อยรักษาศีลห้าให้ได้เต็มร้อย แล้วก็จะสามารถมีเวลามาฝึกภาวนาเพื่อให้เป็นนักบวชต่อไปได้อพอรักษาศีลห้าได้เต็มร้อยก็จะสามารถเพิ่มในวันพิเศษวันพักก็อาจจะเพิ่มเป็นศีลแปดไม่ต้องทำงานถ้าไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องหาเงินมากก็จะมีวันหยุดทำงานมากขึ้น ก็จะมีวันที่จะมาฝึกเป็นนักบวชได้มากขึ้นการมาถือศีลแปดมามาหัดภาวนามาหัดเจริญสติพุโทโธพุโทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเดินหนอก้าวหนอวางหน อ, อเดินจมกลมก็ดูเท้า ก้าวไปวางไปก้าวไปวางไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องหัดทำกันคือต้องทำให้มากขึ้นทำที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ว่าเป็นการทำบุญทำทานไม่ว่าเป็นการรักษาสีหน้า ถ้าเราเป็นผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็ต้องนบุงไปที่การทำบุญทำทานกับการรักษาสีหน้าก่อนทำทานเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยให้มากขึ้นไปเอาเงินที่อาจจะไปใช้กับความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยาก ได้นั่นได้นี่อยากมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เอาเงินทองนั้นมาทาบุญงันถ้าทำแล้วความอยากมันจะลดลงความอยากจะได้ข้าวของสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะน้อยลงมันก็จะทำให้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมากไม่ต้องหาเงินมากจะได้มีเวลามาหาธรรม มาปฏิบัติธรรมมาฝึกมามาฝึกเป็นนักบวชญาตยมบางคนก็มานุ่งขาวห่มขาวครั้งละห้าวันสามวันเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการเจริญเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราต้องก้าวไปทีละขั้นทีละตอนนี่คือเรื่องของเริ่มต้นด้วยการเป็นนักบุญนักบุญแล้วแล้วก็มาหัดเป็นนักบวชถ้ายังไม่เป็นนักบุญสมบูรณ์ก็เป็นนักบุญสมัครเล่นก่อนทำบุญทีละร้อยละสิบร้อยละยี่สิบักษาศี น้อยละสิบร้อยละยี่สิบรักษาสีหน้าไปก่อนคนที่ไม่เคยรักษาสีหน้าเลยก็มาหัดรักษาสีหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างคนที่ไม่เคยทําบุญเลยก็มาหัดทําบุญบ้างทํามากบ้างทําน้อยบ้างอันนี้ถ้าเข้าใจความหมายว่า เข้าใจว่าหน้าที่ของการทำบุญทำทานรักษาสีหน้านี้มีไว้อย่างไรก็อาจจะมีความตั้งใจความยินดีที่จะทำพอการที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่เป็นขั้นนักบวชได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าสู่ขั้นนักบวชเราจะไม่ได้สัมผัสกับนอดแห่งธรรม อย่างแท้จริงอย่างเต็มรูปแบบถ้าเราอยากได้มรสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยต้องเป็นนักบวช ด, ดูบรรดาผู้ที่ได้บรรลุมรผลนิพพานส่วนใหญ่นี้เป็นนักบวชทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชพระอารหาันตสาวกทั้งหลายพระสาลีบุตรพระโมคคัลลานะ พระอานน์พระอะไรต่างๆเป็นนักบวชทั้งนั้นสมัยปัจจุบันก็พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาพระอาจารย์ชาพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์แหวนพระอาจารย์ฟันพระอาจารย์ดีนี่เป็นพระทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระ เขาก็เป็นคารวาดเหมือนเราคนทุกคนเกิดมานี้ไม่ได้เป็นพระมาจากท้องแม่ไม่ได้ออกมาก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองออกมาแต่ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามขั้นตามฐานะของตนแล้วก็ทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้น ทำให้นานขึ้นแล้วมันก็จะพาไปสู่การการเจริญก้าวหน้าในในการปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวก็ได้บวชกันได้พอได้บวชก็จะได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มร้อยพอได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มร้อย นตแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยไม่ได้เป็นแบบผสมร้อยละสิบร้อย0ะยี่สิบจะได้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มร้อยต้องเกิดจากการเป็นนัก บ, บวชมืออาชีพไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นอย่างบวชแค่สามเดือนนอสึกนี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบวชแบบมืออาชีพนี่บวชแบบชั่วคราว อันนี้ไม่ได้บวชแบบที่พระุทธเจ้าสอนให้บวชพระพุทธเจ้าสอนให้บวชเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ปัจจุบันนี้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่กันไม่ได้บวชเพื่อมรรคผลนิพพานะพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีถ้าลูกมาบวชนะลูกได้เรียนรู้วิธีของการเป็นคนดีว่าทําอย่างไระ เช่นละอบายมุขไม่ดื่มโซราไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรไม่เกียดข้านไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดบทนี่วิธีการที่จะทำให้คนเป็นคนดี ถ้าละเว้นการกระทำบาปได้และเว้นการเสพอบายามุกได้ก็เป็นคนดีได้เนี่ถ้าไม่มาเรียนก็จะไม่รู้แล้วก็อาจจะไปถูกพวกที่ชอบทาบาปพวกชอบอบายามุกฉุดลากไปเพื่อนฝูงต่างๆก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ ถึงมีการถึงมีการนิยมจะให้ลูกชายมาบวชกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีของการเป็นคนดีว่าเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องการให้บวชไปตลอดถ้ารู้ว่าลูกจะบวชไม่สักนิดพ่อแม่บางคนแทนที่จะดีใจกับเสียใจแต่ถ้าบวชสามเดือนดีใจเพราะจะได้ลูกกลับไปเหมือนกับเอาผ้ามาซักที่ร้าน ซักเสร็จผ้าสาดก็ขอเอาผ้ากลับไปแต่ถ้ารู้ว่ามาซักที่ร้านแล้วที่ร้านไม่ให้คืนนี้ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะมาซักแนะ้วเสียดายผ้ายังรักผ้ายังโวงผ้าอยู่ยังอยากให้ลูกมาช่วยอาทางบ้านหรือมารับมรดกหรือมาดูแลตอนแก่เท่าหรือมาผลิตลูกหลาน อ, าอันนี้นี่คือ ลักษณะของการบวชในสมัยนี้ซึ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกันเลยแต่ไม่รู้มันกลายมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกลายเพราะว่าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรกันแนะ่มันก็เลยทำให้ศาสนา คำสอนขุธเจ้านีา่เปลี่ยนไปเรียว่าเฉไปแทนที่จะพุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานก็เลยไปพุ่งไปสู่สาราประโยชน์อย่างอื่นอย่างนี้ใช้การบวชเป็นประโยชน์อย่างอื่นเยอะแยะแม้ต่ทางการเมืองก็ยังมีการบวชเป็นทางการเมืองลีภัยไปอยู่ต่างประเทศทางการเมือง อยากจะกลับมาประเทศไทยก็บวชเป็นพระบวชเป็นเนรนะพอเป็นพระเป็นเนนก็กลับบ้านได้เข้าประเทศได้เขาก็ไม่จับเข้าไปติดคุกติดตารางแต่สมัยนี้เขาไม่เก่งใจผ้าเหลืองแะ้ผ้าเหลืองในนี้ใครทำผิดกฎหมายเขาก็จับสึกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็จำคุกต้องร้อยกว่าปีแต่สมัยก่อนเนี่ยมี ทำไมนายกถนอมเนี่ยเวลารีภัยออกไปตอนที่มีปฏิวัติมีอะไรกันก็ต้องหนีพออยากจะกลับมาเมืองไทยก็ไปบวชบวชแล้วกลับมาก็ไม่มีใครมายุ่งด้วยอันนี้นี่คือเรื่องของการบวชบางคนก็บวชนี้เจ้าหนี้ครัมีมีหนี้มาก ก็เลยไปบวชหนีเจ้านี้กันบางคนก็หนีโทษนะไปบวชนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชที่แท้จริงนักบวชในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานี่บวชเพื่อหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและวบวชก็ต้องปฏิบัติแบบเข้มขน้นแบบนักบวช ไม่ได้บวนแบบ เ, เจือจางาร้อยละสิบอย่าพระสมัยนี้ต้องถามท้านา่าหลวงพี่นั่งสมาธิกันบ้างหรือเปล่าหลวงพี่เดินจงกรมไปทุดดงกันบ้างหรือเปล่าปฏิบัติทุดดงเขาวาดกันบ้างหรือเปล่าฉันในบาทหรือเปล่าฉันมื้อเดียวหรือเปล่าลองไปทำสารวจดูก็ได้ เขาจะรู้ว่าโอ๊ยไม่เข้มข้นเลยปฏิบัติแบบเจือจางน้อยละสิบถึงแม้ได้เป็นนักบวชแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชแบบเข้มขน้นแบบผลน้ำผลไม้เข้มขน100้น1้อยเปอร์เซ็นยังเป็นน้ำผลไม้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นอยู่ลดมันจึงไม่เข้มขน้น ไม่ประทับใจทั้งผู้ที่ได้สัมผัสได้ปฏิบัตินะผู้ที่ได้ได้ยินได้ฟังจากผู้ได้ที่ได้ทําแบบไม่เข้มขน้นฟังแล้วมันก็ไม่ประทับใจเหมือนกับฟังธรรมจากผู้ที่ปฏิบัติแบบเข้มขน้นผู้ที่มีธรรมะแบบเข้มข้นนี่นี่คือเรื่องของความแตกตา่าง ของการปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ตามหลักความจริงแล้วต้องเข้มข้นต้องเต็มร้อยถึงจะพัฒนาถึงจะเจริญก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าปฏิบัติแบบเจือจางแบบผสมกันนี่มันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวไปได้ไกล ถ้าเป็นนักบุญก็เป็นนักบุญไปอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นนักบวชก็บวชไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้มรักไม่ได้ผลเพอไม่ได้ทำหน้าที่ของตนแบบเข้มข้นเต็มร้อยทำแบบพอหอมปากหอมคอทำแบบมือสมัครเล่นันผลที่ผ่านจึงไม่ค่อยปรากฏ ในสมัยปัจจุบันนี้มีนักบวชเป็นแสนแต่มีผู้ที่บรรลุมากผลนิพพานนี้ไม่รู้กี่ร้อยนี่มันมันฟ้องมันบอกมันเหตุและผลมันเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุมันน้อยผลมันก็ต้องน้อยเหตุมันไม่เข้มข้นผลมันก็ไม่เข้มข้นไม่ต้องดูใครดูตัวเราเองก็ได้ ดูความสงบดูความฉลาดของเรามันน้อยหรือมันมากมันฟุง้งซ่านวุ่นวายใจมากกว่าสงบหรือมันสงบมากกว่าฟุงา้งซ่านมากกว่าวุ่นวายใจมันฉลาดกว่ากิเลสหรือกิเลสฉลาดกว่าเราใครจะฉลาดกากันถ้าฉลาดถ้ากิเลสฉลาดกว่ามันก็ลากเราไปมันก็หลอกเราไปเราให้เราทำอะไรตามกิเลสเนี่ย นี่คือวัดไม่ต้องไปวัดคนอื่นวัดตัวเราดีที่สุดคนอื่นเขาฉลาดง้องงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคนอื่นเขาจะเข้มข้นหรือเจือจางมันก็ไม่เกี่ยวกับเราไอ้ที่เกี่ยวกับเราคืเรานี่แหละการปฏิบัติของเราเหตุของเรานี่มันเข้มขน้นหรือมันเจือจางถ้ามันยังเจือจางอยู่ต้องทำให้มันข้นขึ้นเพิ่มการกระทาให้มากขึ้น ถ้าทำบุญยังเจอจางอยู่ยังขอแบ่งไปให้กับกิเลสอยู่ก็ต้องดึงออกมาให้หมดนกิเลสมันยากกิเลสมันไม่มันของที่กิเลสต้องการเราไม่ต้องมีมันก็ได้วิธีที่เราอยากจะรู้ว่าเป็นกิเลสหรือไม่ก็ถามว่าของที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราอยากทํำนี่ถ้ามันไม่ได้ทําจะตายหรือเปล่า การคำตอบก็คือไม่ตายก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแล้วถ้าไปทําแต่ถ้าของที่เราต้องการหรือของที่เราอยากได้หรถ้าเราไม่ทําแล้วทำให้เราตายนี่อันนี้ไม่ใช่กิเลสเราต้องมีมีมีเครื่องวัดมีมีเกวัดถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสก็วัดด้วยเหตุผล การจะวัดว่ามันโลภมันตัณหาเรียกว่ามันเป็นธรรมก็ดูที่เหตุผลว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ทำแล้วตายหรือไม่ตายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นไม่กินอาหารหลายๆวันนี่เจ็บไข้ได้ป่วยไหมตายไหอตายก็ต้องกิน ต่กินเยกระทั่งอ้วนเกินไปนี่ก็มันก็เป็นกิเลสอีกอันหนึ่งกินเยอะกระทั่งเป็นโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีกนกินแล้วเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกิเลสอีกเห็นต้องวัดให้ดีเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอ น, นี่คือ เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูที่เหตุและดูที่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติแล้วใจเราสงบมากขึ้นความวุ่นวายใจความเครียดต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆน้อยลงไปอันนี้แสดงว่าเรากาลังก้าวหน้าขึ้นไปก้าวหน้าด้วยการ ทำบุญทำทานของเราก้าวหน้าโดยการรักษาศีลของเราก้าวหน้าด้วยการภาวนาของเราอันนี้ะคือสิ่งที่เราจะต้องคอยทำให้มันเข้มขน้นขึ้นไปตามลาดับทำทานให้มากขึ้นให้มันเข้มขน้นรักษาศีลให้มากขึ้นให้มันเข้มขน้นภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็จะก้าวจาก นักนักบุญไปสู่นักบวชได้แต่สมัยนี้คนที่ไปเป็นนักบวชนี่บางทียังไม่ได้เป็นนักบุญเลยอยากจะบวชก็บวชเขาก็ใครอยากจะบวชเขาก็บวชให้เลยไม่มีการไม่มีการคัดเลือกไม่มีการต ก, กรีนว่าอยู่จะเป็นนักบวชได้จริงหรือเปล่า อยากจะบวชก็ให้บวชบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของนักบวชไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติ ป, ตปัญญาอศีลก็ขาดขาดเกินเกินแล้วไปทําภารกิจอย่างอื่นเไปทําภารกิจทําพิธีกรรมต่างๆไปไม่ได้ไปทําหน้าที่ของนักบวช มรรคผลนิพพานจึงไม่ค่อยปรากฏพระอริยะบุคคลในเมืองไทยจึงไม่ค่อยมีมากทั้งๆ ท, ที่มีนักบวชเป็นจํานวนมากแต่บวชกันแบบไม่ได้บวชเพื่อที่จะปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่นเองเพราะมันข้ามขั้นตอนผู้ที่จะบวชอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจังนี้ต้องเป็น ผู้ที่ปฏิบัติขันนักบุญอย่างจริงจังก่อนนทาบุญทําทานอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องทําจากน้อยขึ้นไปหามากรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอรักษาจากน้อยไปหามากจากศีลห้าไปศีแลแปดเรื่องภาวนาก็ภาวนาอย่างต่อเนื่องทํากันเป็นกิจจลักษณะ อันนี้นะถึงจะพ้อมไปเป็นนักบนักบวชได้อย่างเข้มข้นอย่างแท้จริงต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นฆราวาสไปก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก่อนแล้วถึงจะขยับขึ้นไปสู่ภิกษุภิกษุณีสามเณรได้ต่อไปพุทธบริษัทเรามีพุทธบริษัทสีแต่เดือนนี้เหลือสาม เมื่อก่อนมีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุภิกษุณีอ่อุบาสกก็เป็นนักบุญเข้มขน้นพอเข้มขน้นเต็มมีกำลังก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบวชเข้มข้นได้จากอุบาสกก็กลายเป็นอุบาก็กลายเป็นศุภิกษุไปส่วนอุบาสิกาที่เข้มข้นก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นภิกษุณีไป สมัยนี้ไม่มีภิกษณุณีก็เลยต้องเป็นแม่ชีไปแทนก็เข้มข้นได้เหมือนกันเป็นแม่ชีและเป็นภิกษุณีนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันถ้ามีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างเข้มข้นเข้มข้นได้เหมือนกันมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้เหมือนกัน อันอุบาสิกาที่อยากจะไปเป็นนักบวชอย่างเข้มขน้นด้วยการบวชเป็นแม่ชีนี้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีเหมือนกันนะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าไม่ได้เป็นภิกษุณีแล้วจะไม่ได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานนะอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุว่าจะต้องเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชี มีแม่ชีที่บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่มีน้อยที่วัดยานก็มีสองรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กายไปดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดยานนั้มีหุ่นขี้ผึ้งเเขาจะมีหุ่นขี้ผึ้งของพระอริยะบุคคลที่บรรูุมรรคผลนิพพานเป็นพระภิกษุอยู่ประมาณสักสิบรูปบางอุบาจารย์ที่มีชื่อมีเสียง แล้วก็มีภิกษุณีหนึ่งรูปมีอุบาสิกาหนึ่งรูปภิกษุณีอุบาสิกาหรือแม่ชีก็คุณแม่ชีแก้วแล้วก็อุบาสิกาก็กเขาสวนหลวงเขาก็เชื่อว่าท่านก็เป็นพระอริยบุคคลท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภิกษุณีแต่อย่างใั้นอย่าเข้าใจผิด อย่าไปเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปบวชเป็นภิกษุณีแล้วกลับมาปฏิบัติเหมือนกันเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีก็บรรลุมรรผลนผิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่เป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษณุณีแต่อยู่ที่ว่าปฏิบัติเข้มข้นหรือเปล่าศีล ส, สมาธิปัญญาเข้มข้นเต็มร้อยหรือเปล่าถ้าเจอจางมันก็ไม่ได้มรรผล น, ผนิพพาน นี่ก็เรื่องของการปฏิบัติที่เราจะต้องสังเกตสังการดูตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ขั้นไหนกันแนะ่ความสามารถของเราที่จะปฏิบัตินี้อยู่ในระดับไหนกันแนะ่ออยู่ในระดับร้อยละสิบร้อยละยี่สิบหรือร้อยละห้าสิบร้อยละแปดสิบร้อยร้อยละร้อยมันต้องดูที่เหตุ คือการปฏิบัติของเราแล้วผลต่างๆมันถึงมันจะปรากฏขึ้นมาตามเหตุนั้นถ้าทำร้อยละสิบผลมันก็ได้แค่ร้อยละสิบถ้านาเต็มร้อยผลมันก็จะได้เต็มร้อยอะนันดูสิว่าตอนนี้เรายังเป็นนักบุญและยังเป็นนักบวชอ ย, นนอยู่ถ้าเรายังหาเงินยังใช้เงินอยู่นี่เรายังเป็นนักบวชไม่ได้ นักบวชเข้มข้นนี่เขาเลิกหาเงินเขาเลิกใช้เงินแล้วนะผู้ที่ไปบวชจริงๆนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เอาเงินทองมาอืไม่เงินทองเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนะแต่ถ้ามีความจําเป็นก็ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้เผื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นจะต้องรักษา ก็อาจจะต้องใช้เงินรักษาท่านการอนุญาตในกรณีเหล่านี้ที่ให้รับทรัพย์ได้ในยุคแรกๆนี้ท่านไม่ให้ยึดรับเลยเพราะว่านักบวชที่บวชกันในส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์กันพระเหล่านี้ท่านไม่กลัวตายท่านไม่กลัวแก่ท่านไม่กลัวเจ็บะถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เป็นปุถุชนนี่ อย่างที่ยังจะต้องปฏิบัติถ้าเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยขึ้นมาก็กลัวแล้วสิกลัวตายขึ้นมาแล้ก็ดีไม่ดีก็จะลาสิกขาไปถ้า่ง น, นั้นก็อย่าให้ลาสิกขาดีกว่าเอาให้รักษาพยาบาลด้วยการเป็นพระยังดีกว่าลาสิกขาไปจะรักษาพยาบาลบางทีก็ต้องซื้ออยู่ซื้อยาที่เขาไม่ได้ให้มาไม่มีใครบริจามา เอาใบจากเป็นเงินทองมาก็เอาเงินทองที่เขาเบิจากนี้ไปซื้อยาซื้อของจําเป็นที่จะมารักษาร่างกายจะได้ไม่ต้องสึกไปจะได้อยู่ปฏิบัติต่อไปนี่คือเหตุที่ทำไมพรพุทธเจ้าจึงอนุโลมให้มีการถวายเงินทองให้กับพระภิกษุได้แต่ในยุคแรกๆนี้ท่านห้ามไม่ให้ถวายไม่ให้รับะ เพราะพระที่บวชนี้เป็นพระอารหันต์กันทั้งนั้นพระอารหันต์นี่ท่านไม่เดือดร้อนกับเรื่องของสังขารร่างกายร่างกายมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็รักษามันไปตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงก็ต้องตายสําหรับพระอารหันต์นี่ตายดีกว่าอยู่เพราะร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นคนรับใช้ซะแล้ว มันเป็นภาละที่จะต้องคอยรับใช้มันแต่สำหรับปุทชนนี้ร่างกายยังเป็นเหมือนคนรับใช้อยู่ยังเอามาใช้ทาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่ก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นภาละแต่ภาณาหันนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยต้องเป็นภาระคอยเลี้ยงดูมันคอยอาบน้ําให้มันคอยแต่งเนื้อคอยคอยให้อาหารมันให้น้ํามันคอยอะไรดูแลรักษามันถ้าไม่มีก็สบายกว่าะเห็นสําสหรับพะระอรหันต์ในเรื่องของร่างกายจึงไม่เป็นปัญหาเลยแต่สําหรับปุถุชนผู้ที่ยังต้องอาศัยร่างกายถ้ายังต้องการ หลุดพ้นก็ต้องมีร่างกายเพื่อจะได้ใช้ในการศึกษาคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาร่างกายนี้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเอตอนนั้นร่างกายก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นภาระมากไปแต่พอได้หลุดพ้นแล้วนี้ร่างกายก็หมดหมดหน้าที่ได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่รู้จะมีร่างกายไว้ทําไม เ, าเมื่อมันยังมีก็เอามีไว้สําหรับเอาไปช่วยคนอื่นไปสอนธรรมะให้กับคนอื่นพระพุทธเจ้านี่ความจริงท่านถึงนิพพานตั้งแต่อายุสามสิบห้านถ้าท่านตายวันนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อนอแต่เมื่อมันยังไม่ตายท่านก็เลยต้องเลี้ยงมันไปแล้วก็เอาร่างกายนี้มาใช้ประโยชน์ มาสั่งสอนคนที่อยากจะหลุดพ้นให้เขาได้หลุดพ้นกันนั่นคือหน้าที่ของร่างกายที่มีต่อพระพุทธเจ้ามีมีต่อพระอาหารหันต์มีไว้เพื่อทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธเจ้าหรือกับพระอาหารหันต์เพราะท่านได้ประโยชน์เต็มร้อยแล้วได้ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย แต่เมื่อมันยังไม่ตายก็เป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงดูมันไปนี่อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตของพระอรหันต์กับจิตของปุถุชนที่มีต่อร่างกายนี้ไม่เหมือนกันปุถุชนเนี่อหัวยึดร่างกายเป็นสลาณะเป็นที่พึ่งไม่มีร่างกายก็ไปดูไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายไม่สบาย หาความสุขไม่ได้เลยจึงพยายามที่จะเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายให้มันแข็งแรงมันสมบูรณ์เพื่อที่จะได้พาไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอย่างต่อเนื่องเนอก็เลยรักและหวงและห่วงร่างกายมากมีอะไรเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็ต้องรีบคอยดูแลรักษามันทันทีเี่ย แต่สําหรับพระหลานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายนะท่านมีความสุขที่เกิดจากได้สัมผัสลดแห่งธรรมที่เกิดจากการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาท่านก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในการหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายต่อไปถ้ามันจะตายไปตอนไหนเวลาไหนท่านกับดีใจ จะได้จะได้ไม่ต้องมาแบกมันท่านบอกว่าร่างกายนี้เป็นภาระเฮเวเป็นภาระที่หนักมากแต่สำหรับคนที่ยังต้องใช้มันอยู่ก็ไม่ถือว่าหนักหนักยังไงก็สู้แต่คนที่ไม่ต้องใช้มันแล้วก็ไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะแบกแต่ก็จาเป็นจะต้องแบกไปตามตามสภาพจนกว่ามันจะ ดับไปเองพระพุทธเจ้าจะไม่ข้าตัวตายพระอาหารหันต์จะไม่ข้าตัวตายถ้าไม่เดือดร้อนกับการมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบการมีร่างกายกับการไม่มีร่างกายนี้ไม่มีมันสบายกว่าไม่ต้องมาคอย เ, อเลี้ยงดูมันแต่ถ้ามีร่างกายก็เลี้ยงดูมันไปก็เลี้ยงได้ก็ยังสามารถเอาร่างกายนี้มาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช้ร่างกายมาสั่งสอนธรรมะเนี่ยพระพุทธศาสนาจะไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะไม่มีการมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ในขณะนี้ที่มีพระพุทธศาสนาได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าอหลังจากที่ท่านได้ตัดสรูแล้วท่านก็เอาร่างกายที่ท่านไม่ต้องใช้ประโยชน์กับตัวท่านนี้เอามาใช้ประโยชน์กับพวกเรา มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะรู้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอผู้ที่อยากรู้ได้ผีนได้ฟังนํามาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจํานวนมากพระอาหารหันต์ก็ทําหน้าที่ต่อแทนพระพุทธเจ้าก็เลยมีการถ่ายทอดคําสอนมาอย่างต่อเนื่องถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนก็จบ ไม่มีใครรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าตายไปก็ก็มีพระพุทธเจ้าหลุดพ้นเพียงองค์เดียวไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลุดพ้นได้นอกจากผู้ที่มีความสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งมีน้อยมากมีแบบพระพุทธเจ้านี้นานๆจะมีสักคนหนึ่งแต่ถ้ามีคนสอนแล้วนี่ หลุดพ้นกันได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนี่คือเรื่องของร่างกายการใช้ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพาาระอรหันต์กับปุตุชนนี้ใช้ไม่เหมือนกันบุตุชนนี้ใช้ร่างกายเพื่อรับใช้กิเลสตัณหาแต่พระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ใช้ร่างกายเพื่อรับใช้การเผยแผ่ธรรมะประโยชน์ต่างกัน เพราะการเผยแผ่ธรรมะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่การใช้ร่างกายเพื่อทำตามความอยากของของกิเลส ต, ตัณหานำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการใช้ร่างกายของปุถุชนกับการใช้ร่างกายของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนกัน การใช้ร่างกายของผุุ้ชนนี้ก็โทษกับจิตใจของผุ้ตุชนเองทำให้จิตใจของผุุ้ชนต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนแต่การใช้ร่างกายของพระพุทธเจ้ากับของป้าหลานนี้หนึ่งท่านไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของท่านะท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายแล้วที่ท่านยังใช้ร่างกายก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างพวกเราผู้ที่ยังหูหนวกตาบอด ผู้ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าป้าหนานมาแสดงธรรมเราก็คงจะไม่ได้มานั่งพบกันตรงนี้มาเจอกันตรงนี้เราก็คงไปเจอกันแถวศูนย์การค้าหรือแถวโรงภาพยนตร์หรือแถวร้านอาหารเพราะนั่นคือที่ไปของผู้ที่ไม่มีธรรมะกัน ผู้ที่มีธรรมะเขาไม่ไปที่เหล่านั้นผู้ที่มีธรรมะก็คือผู้ที่มีแสงสว่างในที่มืดจะรู้ว่าที่ไหนเป็นภัยที่ไหนเป็นโทษที่ไหนเป็นคุณผู้ที่ไม่มีแสงสว่างในที่มืดก็ไปตามความรู้สึกคิดว่าตรงนั้นเป็นสุขก็ไปกันไปแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กันในภายหลังอันนี้คือ เรื่องของการมีธรรมะกับไม่มีธรรมะในโลกนี้การมีธรรมะเนี่ยทำให้ผู้ที่มีธรรมะเหมือนคนที่มีไฟฉายในที่มืดจะเดินไปไหนก็ปลอดภัยเพราะรู้ว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายแต่ผู้ที่ไม่มีไฟฉายในที่มืดนี่ก็เดินไป ก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจะเจอภัยก็สายไปเสียแล้วผู้ที่มีธรรมะจึงจึงไม่ไปในที่ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่เป็นที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผู้ที่ผู้ที่มีธรรมะก็จะไปสู่ที่สงบเพราะความสงบนี้เป็นที่มิตร เป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจแต่ถ้าไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเนี่ยก็ไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเครียดเครียดตอนที่เวลาอยากได้แล้วไม่ได้เวลาได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่เครียดหรอกมีความสุขแต่พอเวลามันหมดมันมันเครียดมันทุกข์และเวลาอยากได้ใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เครียดก็ทุกข์เนี่ย แต่การไปหาความสงบนี้ไม่มีวันเครียดเพราะความสงบนี้จะไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดได้มาแล้วก็จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ให้เป็นสมบัติของเราให้ความสุขกับเราไปได้อย่างถาวรนต้องมีธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมพาไปแสงสว่างแห่งธรรมก็ เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาลันตสาสกทั้งหลายที่สอนให้พวกเรามาปฏิบัติทานศีลภาวนากันนีอ้อันต้นก็ปฏิบัติตามกําลังของเราไปก่อนปฏิบัติได้ร้อยละสิบก็ทําไปทําบุญร้อยละสิบรักษาศีลห้าร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบแล้วต่อไปก็เพิ่ม ร้อยละยี่สิบร้อยสามสิบไปเดี๋ยวไม่นานก็จะก้าวขึ้นจากขั้นระดับนักบุญไปสู่นักบวชได้ถ้ายังอยู่ระดับนักบุญนี้ยากต่อการที่จะได้มรรคผลนิพพานถ้าอยากจะได้มรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็วต้องไปอยู่ในระดับนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วพระพุทธเจ้ารับประกันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปี จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแ น, น่นอนนี่ก็เรื่องของเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่มีหลายระดับมีหลายหลายระดับและหลายาความเข้มข้นต่างกันเอถึงแม้เราจะปฏิบัติเหมือนกันแต่ผลไม่ไม่เท่ากันก็เพราะว่าความเข้มข้นของการปฏิบัติไม่เท่ากันะ ยเราต้องสังเกตดูว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อไปถ้าปฏิบัติได้ยังไม่ได้ผลก็แสดงว่าปฏิบัติยังไม่เข้มข้นพอก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับถ้าปฏิบัติจนถึงขีดที่มันจะให้ผลแล้วมันก็จะได้ผลเองมันจะรู้เองอ๋องจิตสงบแล้วเอ จิตมีความสุขแล้วอจิตเกิดปัญญาแล้วเมันจะรู้เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกธรรมของพระพุทธเจ้ า, านี้ไม่มีวันเสื่อมเป็นเป็นธรรมในยุคพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นธรรมในยุคนี้อยู่ให้ผลนิให้มรรคผลนิพพานต่อผู้ปฏิบัติในยุคพระพุทธเจ้าก็ยังให้มรรคผลนิพพานต่อผู้ปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้อยู่เหมือนเดิมทันไม่มีวันเสื่อม ที่เสื่อมก็คือการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติน้อยลงไปเรื่อยเมื่อก่อนบวชกันสามเดือนเดี๋ยวนี้บวชกันเดือนหนึ่งบ้างเจ็ดวันบ้างเนี่ยคนเข้าวัดก็เข้ากันน้อยลงไปเรื่อยทาบุญทาทานก็น้อยลงไปเรื่อยอันนี้ไม่ใช่ทมที่เสื่อมแต่คนที่ปฏิบัติทำเสื่อมอาทาไม่มีวันเสื่อม คำสอนคำสอนพระพุทธเจ้านี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มร้อยก็จะได้ผลเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เดามาฝากให้ท่านทั้งหลายได้ไปพิิตพิ จ, จารณากันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 มณิโชติอาราโสยะธาสัพิเตโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาสตุมัเตภวตวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาธนศีนิสานิจามุทาปัจจายโนจตารโอธรมมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c e b o o สามร y อย t ี่สิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกวิทยุออนไลน์สามสิบแปดรับฟังบนเขาสี่สิบห้ารวมห้าร้อยแปดสิบหกค่ะ อ, อาจารย์หมอมีอะไรจะถามวา เดี๋ยวเอาไมโครโฟนน่ยิบไมโครโฟนมาุ้ใกล้ๆปากหน่อยจะได้ดังก็คือเรื่องปฏิบัติเนี่ยถ้าในความรู้สึกเนี่ยว่าเราเป็นผู้หญิงมันก็แล้วก็มีครอบครัวมันก็เป็นสิ่งซึ่งยากพอสมควรนะเจ้าค้าที่จะตัดใจแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ในความรู้สึก ของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเหมือนปวดใจอะเจ้าค่ะคือเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็ดูผู้หญิงที่เขาไม่มีปัญหาที่เขาปฏิบัติเขาบารรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเขาปฏิบัติได้เขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนเราแต่ส่วนใหญ่ก็จะยอมก็คือต้องออกจากครอบครัวพอสมควรเลยใช่นหมเจ้าค่ะก็ไม่รู้หละก็ต้องคิดเอาเองสิของนี้ ให้คนอื่นคิดให้เรามันไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะคนเดี๋ยวจะหาว่าไปเคี่ยวเคี้ยวเข็นบังคับเองคนปฏิบัติต้องรู้ว่าตต้องทำอะไรถ้าต้องการจิิงนี้จะต้องทำอะไรทำไมเป็นหมอได้เป็นอาจารย์ได้สมัยก่อนผู้หญิงเป็นหมอเป็นอาจารย์ก็ไม่มีทำไมเราเป็นผู้หญิงเราเป็นได้ก็เพราะเราอยากเป็น ถ้าเราอยากเป็นสักอย่างมันมีอะไรมาขวางเราได้ <c oughs> ไอ <ๆ S 1> ้ที่นี่ก็คือไอ้ที่ไม่ได้เป็นก็เพราะเราไม่อยากเป็นนั่นเองมันก็เลยไม่ได้เป็น <c oughs> ใช่ไหมก็มาฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อที่จะ <thế S 2> ไตรตรองให้มีใครมาขวางเราได้เราอยากจะทําอะไรพออยากจะทําจริงๆต่อให้ช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่เวลาไปเที่ยวเนี่ ใครจะมาฉุดให้เราไม่ไปเที่ยวนี่ฉุดได้ไหรือไม่ได้หรอกเออนี่ยจะมาที่นี่วันนี้ก็ใครมาห้ามไม่ให้เรามาได้ปะไม่ได้ถ้าเราอยากจะทําอะไรจริงๆแล้วเราทําไดออ้ปัญหาคือมันไม่อยากจริงนีออ่อยากแบบกล้ากล้ากลัวๆเหมือนคนที่ อ, อหัดว่ายน้ําไม่กล้าลงน้ำเนี่ยกล้ากลัวกลัว มันก็ไหว้ไม่เป็นนะทีอย่าไปกลักลวอะไรก็ลงมารู้จักวิธีไหว้แล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ไหว้ตามที่เขาสอนมันก็ได้เองเจ้าข้ากราบขอบพระคุณจงค่ะคำถามทางบ้านคำถามจากทางไลน์ค่ะ ถ้าเราไม่ชอบบอกบุญใครเราชอบทำยิบเงียบคนเดียวจะทําให้เราขาดกัลยาณมิตรในชาติต่อไปไหมเจ้าคะเราไม่ไปเกิดแล้วไปกังวลทําไมปฏิบัติเพื่อไม่ไปเกิดอยู่แล้วจะไปกังวลเลยคนที่ไม่ไปเกิดเขาไม่กังวลกับกัญยาณมิต mm hmm. รเพรากกัลยาณมิตรมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคได้เดี๋ยวไปยึดไปติดกับกัญยาณมิตรอีกเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาไปปฏิบัติอีกคอยไปห่วงเขาเ งั้นคนปฏิบัติจริงๆนี่ตัดหมดทิ้งหมดนะพระพุทธเจ้าไม่เอาใครไปติดตัวไปนะออกจากวางก็ไปองค์เดียวะไม่สนใจจะมีกัลยาณมิตรหรือไม่ถืออัตตาหิอเปตอัตตาหิอัตโนนาโถผู้ที่ปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ไม่สนใจใครนะึกสนใจแต่อัตตาหิอัตโนนาโถเท่านั้นตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นพึ่งได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าเกิดไปพิ่งเขาแล้วเกิดเพิ่งไม่ได้จะทำไงก็ลำบากพึ่งตัวเองดีกว่าตัวเรานี่เราพึ่งได้ตลอดเวลาตัวเราไม่มีวันจากเราอยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราตายวิญญาณจะยังกลับมาหาญาติหรือว่าไปเกิดใหม่ทันทีเจ้าคะการเกิดเป็นเทวดานี้ตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยหรือเปล่าคะ ไม่หรอก็แล้วแต่บุญต่บาปที่เราทําไว้ถ้าถ้าบาปมากกว่าบุญก็เป็นเทวดาไม่ได้ต้องไปเป็นเปรตก่อนไปเป็นนสุนลกายเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก่อนถ้าบามากกว่าบุญถึงจะไปเป็นเทวดาได้ ลูกเกิดเป็นหญิงปฏิบัติธรรมได้ตามสมควรในใจคิดว่าถ้าตายไปขอเกิดเป็นพรหมจะได้มีเวลาปฏิบัติไม่ต้องยุ่งกับใครลูกคิดแบบนี้จะถูกไหมเจ้าคะหนึ่งขอไม่ได้แต่เป็นพรหมก็ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ถึงจะเป็นพรหมได้ถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ต้องไปปฏิบัติธรรมจิตให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาตายไปก็จะได้ไปเป็นพรหม คำถามจากทาง u t u b e ค่ะจุดหมายของการปฏิบัติคือสุดท้ายเราต้องกำจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปและความอยากไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือความอยากทั้งสามยังคงมีอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่กระทบกับใจเราอีกต่อไปเนื่องจากเราได้ปัญญาเห็นจริงแล้วแม็นจริงมันก็ไม่เกิดนะที่มันเกิดเพราะไม่เห็นจริงแต่เห็นจริงว่ามันเป็นไฟใครอยากจะไปแตะไฟ ถ้าเห็นว่ามันเป็นยาพิษใคอยากจะไปแต่ยาพิษยความอยากทั้งสามนี้มันเป็นยาพิษแต่ความหลงโมหะวิชามันทำให้เห็นว่าเป็นขนมเป็นน้าผึ้งอยากจะสัมผัสสัมผัสแล้วก็ถึงจะรู้ว่าเป็นยาพิษแต่ก็สายไปเสียแล้วฉะนั้นคนที่เห็นด้วยปัญญาละตันหานั่งสามนี้แล้วลจะไม่มีวันกลับมาอีก คำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณสิริถ้าหากเจอคนถูกใจแล้วเราก็ดูอัศวะไปเรื่อยๆจนใจของเราเฉยๆลงไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเพราะอัศวะหรือเป็นเพราะเราไม่มีความหวังจะแยกออกได้อย่างไรก็แยกเอาเองสิมันจะมาถามเราได้ยังไงล่ะมันก็ถ้าถ้าคิดว่าเราไม่มีความหวังแล้วก็ยอมแพ้ เช่นเราไม่มีเงินสิบล้านไปซื้อรถให้เขาขับนี่มีคนอีกคนก็มีเงินซื้อรถสิบล้านให้ขับนี่เราก็สู้เขาไม่ได้อย่างนี้ก็ผิดหวังหมดหวังถ้าเป็นเห็นสุภาะก็ไม่จาเป็นเห็นว่าเขากลายเป็นซากศพไปนี่ก็ไม่อยากจะได้แล้ว คำถามจากคุณมินการที่นั่งกรรมาฐานสองสามชั่วโมงแล้วเกิดความเจ็บและปวดขึ้นในสมาธิแล้วเราไม่ลุกขึ้นจะสู้ทํามันจะดูไหมว่าจะเจ็บแค่ไหนเขาเรียกว่าเรากำลังใช้กรรมในความเจ็บปวดนั่นหรือเปล่าคะไม่ได้ใช้กรรมหรอกเป็นการศึกษาความเจ็บปวดดูธรรมชาติของมันว่ามันมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นนั่นยี่จังหรือ หรือเป็นนิจจังเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือควบคุมบังคับไม่ได้ที่มันทำให้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากจะไปควบคุมบังคับมันใช่ไหมมันเกิดแล้วก็อยากจะให้มันดับใช่ไหมพอมันไม่ดับเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปอยากให้มันดับก็อยู่กับมันไป มมันกก็จะไ่ทุคำถามจากทาง u t u ู e ค่ะพระ อ, อริยะเจ้าจะต้องมีสติเต็มร้อยคือมีสติตลอดเวลาไม่มีเผลอสติเลยใช่ไหมคะก็แล้วแต่ระดับระดับพรา น, านนี้ก็เต็มร้อยแต่ระดับพระโสดาบันนี้ยังไม่เต็มร้อยต้องทบทนพัฒนาขึ้นไป คำถามจากคุณทวิชาจะเรียนถามว่าการฟังธรรมท่านพระอาจารย์เป็นการเจริญปัญญาใช่ไหมคะจำเป็นต้องรวมจิตในการฟังธรรมด้วยหรือไม่ตั้งใจฟังรวมจิตมาฟังอย่าให้จิตไปคิดถึงข น, นมนมเนยอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เวลาฟังธรรมให้รวมจิตมาอยู่ที่เสียงธรรมอย่างเดียว คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ป่วยหรือเจ้าคะเห็นท่านฉันน้ําอุ่นถ้าพระอาจารย์ป่วยมีฉันยาหรือหาหมอไหมเจ้าคะรู้ได้ไงว่าเราฉันน้าอุ่นเราไม่เคยฉันน้ําอุ่นในน้ําเย็นก็าใส่กระติกมาก็ไปว่าเป็นน้ําอุ่นนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคิดไปเองปรุงไปเองเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปคิดว่าเราเจ็บไายได้ป่วยต้องกินน้ําอุ่นขึ้นมาเนี่ยเป็น เรืเร่องในวสังขารปรุงแต่งแบบไม่มีสาระไม่มีปัญญาคำถามจากคุณส่กุงถ้าจะมาภาวนาที่เขตห้ามล่ า, าสัตว์เขาชีโอนได้ไหมเจ้าคะต้องติดต่อใครเจ้าคะขอความเมตตาด้วยคะ่ะอันนี้ของบนเขานี่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นือผู้ชายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านอาจจะอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษเป็นรานไป แต่ไม่ได้เปิดให้รับคนทั่วไปผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงต้องไปติดต่อที่เขตบ้านพักของป่าไม้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดต่อกับยามที่เฝ้าทางเข้าเนี่ยเวลาเข้ามาก็ถามเขาว่าไปติดต่อที่ไหนอยากจะมาพักปฏิบัติธรรมเขาก็จะบอกวิธีให้คำถามจากคุณรัศมี <c oughs> ขอพระอาจารย์แนะนำการเดินทรงกลมด้วยเจ้าขาว่าต้องทาอย่างไรบ้าง ก็เดินเหมือนธรรมดาเดินเดินเดินช้อปปิง้งเดินเปหรือเปล่าถ้าเดินช้อปปิ้งไปก็เดินโยงกลมได้เหมือนกันใช้เท้าเดินเหมือนกันเป็นแต่ว่าใจอย่าไปมองของในร้านา น, นั้นนั่นเให้มองที่เท้าให้มองว่าเรากําลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าเท้าขวาไปท่านนั้นเองในเวลาไปช้อปปิ้งถ้าอยากจะเดินจงกลมก็เดินจงกลมได้แต่อย่าไปดูของในร้านให้ดูที่เท้า ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็เรียกว่าเดินจงกรมคำถามจากคุณแหม่มเวลานั่งสมาธิพอหลับตาก็จะรู้สึกเวียนหัวหมุนเวียนไปหมุนมาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็ว่ามันไม่นิ่งมันก็หมุนน่ะสิคำถามจากคุณสิทธิพงศ์ในประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์ในสาย ของหลวงปู่มั่นมีอภิญญาต่างๆเช่นการระลึกชาติได้หรือเจโตปริญานอยากทราบว่าต้องสําเร็จอย่างท่านถึงสามารถทําได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกมันอยู่ที่วาสนาของนี้มันอยู่ที่อดีตของเราที่เราเคยฝึกฝนมาหรือเปล่าถ้าจิตเราไม่เคยฝึกฝนไม่มีวาสนามาทางนี้มันก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ก็ไม่สําคัญก็การภาวนานี่ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เกิดอภิญญา การภาวนาเพื่อเกิดความสงบเพื่อที่จะได้เอาความสงบนี้มาใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อดับกิเลสต่อไปอันนี้ทำได้ทุกคนคือความสงบอัปปนาสมาธิเมื่อมีอัปปนาสมาธิก็จะมีอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาก็สามารถเอาจิตมาพิจารณาทางปัญญา เพื่อตัดกิเลสดับกิเลสได้ไม่จําเป็นจะต้องมีอภิญญาอภิญญานี้เป็นของแถมเป็นของที่มีติดมากับจิตในในดั้งเดิมของจิตจิตบางรูปมีโอกาสได้ฝึกฝนได้สร้างอภิญญาขึ้นมามันก็จะมีถ้าไม่ได้สร้างมาก็ไม่มีไม่มีก็ไม่สําคัญไม่ต้องไปสร้างให้เสียเวลา คำถามจกคุณพีโกนการเห็นความเบื่อที่ต้องดูแลร่างกายตัวเองเป็นความเบื่อทางโลกหรือทางธรรมครับก็เบื่อแล้วทุกข์ก็ทางโลกถ้าเบื่อแล้วไม่ทุกข์ก็ทางธรรมเบื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ด้วยเหตุด้วยผลกับเบื่อด้วยอารมณ์พระพุทธเจ้าฟ้าลานี้ท่านเบื่อด้วยเหตุด้วยผลท่านเปรียบเทียมการมีร่างกายกับการไม่มีร่างกายอันไหนมันสบายกว่ากัน ส่วนที่เราเบื่อเพราะ่บางทีมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถพาเราไปเที่ยวไหนได้มันก็เลยเบื่อขึ้นมาอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้เบื่อแบบโลก คำถามจากคุณน้ำพึง่ง<ม>การไม่ทำบาปการทำกุศลลูกปฏิบัติตามอยู่ค่ะแต่ลูกไม่เข้าใจการทำใจให้สะอาดขาวรอบทำแบบไหนคะก็กำจัดความโลภความอยากต่างๆเวลาอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเช่นสามวันนี้หยุดสามวันอยากจะไปเที่ยวก็ไปไ ป, ไปอยู่วัดอันนี้เป็นการทำใจให้ขาวสะอาดตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไป <c oughs> คำถามสักทางย t u b e คุณภาชระนันเขาอุบายท่านอาจารย์ชวนแม่และน้องๆไปวัดทมบุญปฏิบัติธรรมด้วยค่ะพวกเขาไม่ชอบชอบแต่จะไปซื้อของช้อปปิ้งกันมากหรือรอให้พวกเขาอยากไปกันเองแต่เกรงว่าจะช้าไปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน่อยเขาไม่เาม่อยากเราจะไปต่อให้ช่างไปฉุดเขาก็ไม่มานั้นเราต้องรู้จักขอบเขตของความสามารถของเรา เราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นออหม ด, ดแล้ ว, เ, ออ เ, ดวเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักเดี๋ยวรอคำถามถ้ามีคำถามก็ถามได้ถ้ายังไม่มีก็รอไปก่อนกำลังพิมพ์กันเข้ามา สีนี้จะต้องไปปฏิบัติพันศีอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วบางครั้งเราพังเผอเราทําไม่ได้ตามสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานไปอย่างนี้บาปมากเจ้าค่ะเราก็โกหกหลอกลวง เ, ลเรื่องเล็งหลอกเจ้าบอกนี้ไปหลอกพระอาจะทำนู่นทำนี่พอถึงเวลาก็ไม่ทํอก็โกหกไงต่อไปก็อย่าไปหลอกถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปบอกอย่าไปอธิษฐาน เดี๋ยวจะเป็นคนเลาะแหละคนโลเลคนหลอกลวงทําอะไรก็ไม่สำเร็จถ้าทางที่ดีก็ควรจะลงโทษตัวเองต้องไปใช้ใช้กรรมใช้หนี้ขาดอันไหนก็ต้องไปใช้สิสบเท่าต่อไปมันจะได้ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวงเพราะทาแล้วมันมีโทษติดตัวมนาะต้องใช้ใช้หนี้ ถ้าเราทําอะไรตั้งใจจะทําทอะไรก็อธิษฐานกับพระแล้วไม่ได้ทำํำเราก็ต้องกลับไปทําใช้นี่สิบเท่ามันจะได้เข็ดเนี่ยบมันจะได้คิดก่อนก่อนที่จะคิดจ ะ, จะสัญญาจะทําอะไรถ้ารู้ว่าทําไม่ได้ก็อย่าไปสัญญาให้เสียเวลาถ้ารู้ว่าถ้าสัญญาต้องทําให้ได้เพราะไม่ทําต้องมาใช้นี่สิบเท่าอ่าอันี่คือมาตรการแก้ปัญหานี้ คุณเจ้าคะ่ะมีคำถามจากทางไลน์ค่ะเราจะฝึกกำหนดสติอย่างไรให้อินทรีแก่กล้าคะก็ฝึกบ่อยๆไงฝึกเรื่อยๆเลื่อมตาขึ้นมาก็ฝึกสติเลยจาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหยุดความคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้ใจคิดเนี่ยถ้าคิดก็พพุโทโธไปถ้าหยุดคิดก็หยุดพุดโทโธได้ ทำอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวต่อไปเอซีก็จะแก่กล้าขึ้นมา้บุญกรรมฐานมีหมดไหมคะไม่รู้ไปความหมายความว่ายัางไงบุญกรรมฐานไม่รู้เขียนมาใหม่ก็แล้วกัน คำถามสักคุณโมโม่ค่ะตายใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกนานแสนนานอย่างนี้ขอทราบวิธีการลดภพชาติเวียนว่ายตายเกิดในเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดธรรมดาที่สุดเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะพอทําได้ค่ะทําบุญให้มากขึ้นรักษาสีให้มากขึ้นันั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นก็ทําไปให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ทําได้หนึ่งเท่าก็เพิ่มเป็นสองเท่า ได้สองเท่าก็เพิ่มเป็นสามเท่าเพิ่มมันไปเรื่อยๆเท่มทีละขีดสองขีดถ้าไปเอาแบบเก้ากระโดดมันจะเพิ่มไม่ไหวมันจะหนักเกินไปยากเกินไปก็เอาเพิ่มทีละขีดไปเพิ่มทีละหนึ่งเท่าเคยนั่งได้ห้านาทีก็เพิ่มเป็นสิบนาทีนั่งสิบนาทีได้ก็เพิ่มเป็นยี่สิบยี่สิบเป็นสามสิบเพิ่มไปเรื่อยๆตามกลังของเราเดี๋ยวมันก็ไปได้เอง เ, เ ห, หมือนเด็กใหมตอนยังเด็กก็ดื่มนมไปก่อนพอโตขึ้นมาหน่อยก็กินข้าวกินข้าวก็ช้ชอนสองช้อนก็อิ่มแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสี่ห้าช้อนต่อไปก็เป็นชามกินเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มไปได้เองปฏิบัติก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปคำถามจากทาง youtube จากคุณบงกฎกลับยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการดูแลใจเลี้ยงใจต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ ก็เนี่ยนทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นการดูแลใจเลี้ยงใจอย่าเลี้ยงกิเลสอย่าเอาเงินไปใช้กับกิเลสกิเลสอยากซื้อกระเป๋าก็ไปทำบุญทำทานแทนถ้ามีแล้วถ้ามีกระเป๋าอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อใบใหม่ใช้ใบเก่าได้เอาเงินที่จะไปซื้อใบใหม่นี้ไปทำบุญทำทานก็จะเลี้ยงจิตเพราะบุญนี้เป็นอาหารของจิตทำให้จิตอิ่มสุขสบาย ถ้ า, าไปเล่นกิเลสก็จะไปเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดให้จิตเสพแล้วก็จะหิวโหยอยู่เรื่อยๆแล้วรักษาศีลไม่ทำบาปแล้วจิตก็จะเย็นจะสบายทำบาปแล้วจิตก็จะร้อนวุ่นวายภาวนาให้จิตสงบจิตสงบแล้วจะมีความสุขมากเมื่อจิตไม่สงบก็เครียดก็ทุกข์ คำถามจากคุณพันนาเวลาที่เราล้างจานอยู่แต่ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหนูเห็นว่าคิดก็บริกรรมว่าพุทโธธรรมโมสังโฆความคิดนั้นหายไปแบบนี้หนูทําถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วทุกครั้งที่มีความคิดอยากอยากจะหยุดคิดก็ให้บริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ คำถามจากคุณ SJ การมีสติกับงานที่ทําก็ยังไม่มีผลดีเท่ากับการเจริญสติแบบไม่คิดอะไรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ไหมคะใช่เพราะเป้าหมายคือเราต้องการหยุดความคิดจิตถึงจะสงบได้จิตสงบก็จะมีความสุขมีความอิ่มทําให้เราไม่ต้องไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์ตามมาด้วย เห็นถ้าเราฝึกสตินี่ก็เพื่อให้หยุดความคิด mm. เพื่อให้จิตสงบ mm. เพื่อให้จิตมีความสุข mm. เพื่อเราจะได้เลิกหาความทุกข์กันนั่นเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณมินค่ ะ, จะเจริญวิปัสสนาคือคนธรรมดาทำได้หรือเปล่าคะได้ทุกคนเน่ยเพียงแต่ว่าจะทำเป็นหรือเปล่ามีเวลาทำหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักวิธีก็ต้องไปศึกษาเราจะต้องรู้ขั้นตอนของการจเจริญว่า ก่อนจะจะเริ่วิปัสสนาได้นี้จะต้องทำอะไรมาก่อนเหมือนก่อนจะวิ่งมาราธอนได้นี้ต้องไปทำอะไรมาก่อนถ้ายังคลานอยู่ก็ต้องหัดยืนก่อนถ้ายังยืนไม่ได้ก็ยังวิ่งไม่ได้ก็ต้องหัดยืนก่อนยืนได้แล้วก็หัดเดินก่อนเมื่อเดินได้แล้วถึงจะวิ่งได้ฉันใดก่อนจะวิปัสสนาได้มันก็ต้อง จิตสงบดึงจิตให้มาคิดทางวิปั ส, สนาได้หรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องดูถ้าไม่มีก็ต้องฝึกสติก่อนดึงจิตให้มาทางวิปั ส, สนาให้ได้ก่อนถึงจะไปพิจารณาทางวิปั ส, สนาได้แล้ววิปั ส, สนาคืออะไรก็ต้องรู้ก่อนมาให้พิจารณาอะไรถึงจะเป็นวิปั ส, สนา วิปัสนาก็ให้พิจารณาว่าไตรลักษณ์อนิจจมทุกขังอนัตตาอริยสัจสี่อันนี้เรียกว่าวิปัสนาคำถามจากคุณแม่มการทำจิตให้นิ่งแบบง่ายๆจะทำได้อย่างไรเจ้าคะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอะไรเดี๋ยวมันก็นิ่ง คำถามจากคุณวัฒนาการทานเนื้อสัตว์เป็นบาปไหมครับมีคนที่ทานเจเขาบอกว่าทานเนื้อสัตว์เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมถ้าเราไม่เป็นคนทาเราไม่ได้เป็นคนฆ่าสัตว์ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าให้เราเราไม่บาปถ้าเนื้อสัตว์นั้นคนอื่นเขาฆ่าไว้แล้วแล้วก็ไปขายที่ตลาดเราไปซื้ อ, อย่างนี้ไม่บาป คำถามสกุลเทพธิดาการที่เราถือศีลแปดที่บ้านจะได้อนิสงเหมือนอยู่ที่วัดไหมเจ้าคะที่บ้านกับที่วัดมันอยู่ที่วัดรักษาอันไหนได้มากกว่ากันที่วัดนี้มากจากัรักษาได้มากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะที่วัดอาจจะมีเหตุการณ์มีบุคคลมีอะไรที่อาจจะมาลบกวนการรักษาของเราได้แต่ถ้าเรารักษาที่บ้านได้แล้วไม่มีอะไรมาลบกวนก็ได้เหมือนกัน อยู่สถานที่มันมันจะสัปปยะหรือไม่สัปปยะคือเอื้อต่อการรักษาหรือไม่เอื้อต่อการรักษาท่านนั้นเองแต่การรักษานี้ก็อยู่ที่เราถึงแม้สถานที่ไม่สัปปยะแต่ถ้าเรามีพลังจิตสูงเราก็อาจจะรักษาได้เหมือนกับรักษาในขณะที่อยู่ที่วัดก็ได้ คำถามจากคุณพรมพรในสีนแปดข้อวิการละโภชนาะมีบางคนพอตื่นเช้าตีสี่ก่อนทำวัดเช้าก็ดื่มกาแฟและขนมถูกต้องไหมคะกาแฟขนมก็ถือว่าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้ถ้าดื่มน้ำปาน ะ, นะนี้ดื่มได้น้ำผลไม้หรืออ ะ, อะไรที่อนุญาตให้ดื่มในยามวิการได้ก็ดื่มได้ แต่พวกขนมนมเนยนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบของเป็นอยู่ในกลุ่มของอาหารต้องรอให้สว่างก่อนถึงจะรับประทานได้คำถามจากคุณสิริวัฒน์ผมขอทราบขอบเขตของศีลข้อสี่ครับว่าการพูดคําหยาบถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับถ้าถือศีลห้านี้เพียงแต่คําพูดปดอย่างเดียวถ้าพูดคำหยาบนี้ยังไม่ได้ถือว่าผิดศีลในของศีลห้า สินห้านี้ไม่ให้พูดปดนะคำยาอนี้เป็นสินละเอียดที่เราจะต้องสมาทานกันเองคือถ้าเราอยู่ในในขั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะถือเราจะถือสินที่ละเอียดในสินสีไม่พูดคำยาไม่พูดเพ้อเจริไม่พูด cher, ไม่พูดไม่พูดเอพดเอเจรไม่พูดส่อเสียดเนี่ย อันนี้เป็นการสมาทานเพิ่มขึ้นเช่นพวกนักบวชทั้งหลายนี่ก็จะถือศีลเหล่านี้แต่ศีลห้าศีลแปดนี่ก็ห้ามไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลานั่งสมาธิต้องตั้งจิตอธิษฐานในการกล่าวคําถวายเป็นพุทธบูชาก่อนนั่งใหม่เจคะกล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้ เราไม่ได้บูชาท่านเราปฏิบัติให้กับตัวเราเองคําถามจากคุณชัยยศขอคําขยายความคําว่าสักแต่ว่ารู้เป็นอย่างไรครับรู้เฉยๆเห็นอะไรก็รู้เฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เรารู้เห็นทองก็รู้เฉยๆอย่าไปอยากได้เห็นอุจจาระก็อย่าไปลังเกียตจอย่าไปอยากอ ไม่ได้เห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆสักแต่ ว, ว่าเห็นสักแต่ ว, ว่ารู้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้เรียกว่าสักแต่ ว, ว่ารู้คำถามจากคุณสมทรงไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวที่เขาเลี้ยงวัวขายและส่งไปฆ่าแต่ตัวเราให้อาหารดูแลให้น้ําอาหารเป็นการส่งเสริมการฆ่าหรือเปล่าคะบาปไหมคะ เราไม่ได้ฆ่าเองเราไม่ได้รับประโยชน์จากการฆ่าเราก็ไม่เกี่ยวการเลี้ยงสัตว์นี้เป็นการอาทําให้อาหารเขาเป็นการเมตตาอาส่วนการฆ่านี่ถึงเป็นบาปเหตนถ้าเราไม่ได้ฆ่าเราเราทําส่วนที่ดีมันก็ไม่บาปแตถ้าเราทําเพื่อให้เขาฆ่าเพื่อเราจะได้รับผลประโยชน์จากการฆ่านี้เราก็มีส่วนในการ ร่วมกับการฆ่าพราเราได้รับประโยชน์จากการฆ่าของของสัตว์นั้นคำถามจากคุณกันความสงบจากสมาธิเป็นบุญไหมครับสามารถที่จะแผ่บุญกุศลนี้ให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ญาติเมสปปษสรรพัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เขาได้รับบุญจากการปฏิบัติสมาธิจากเราได้ไหมครับได้แต่มันยาก คนส่วนใหญ่นั่งสมาธิกันนี้ไม่มีใครสงบกันจริงๆนะเพรนั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญไปซื้อของถวายใส่บาตรอย่างนี้จะได้บุญทันทีจะได้แผ่ได้ทันทีมานั่งสมาธิเดี๋ยวแผ่ความฟุ้งซ่านไปโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่ากำลังแผ่บุญเระนั้นน้อยคนที่นั่งสมาธิแล้วได้ผลได้จิตรวมไปนับปนาสมาธินี่ยถึงถือว่าถือว่าเป็นบุญ แต่นั่งที่นั่งแบบจิตยังคิดอยู่นี่ยังไม่ถือว่าเป็นบุญนะเพระฉนั้นถ้าอยากเยาอุทิศบุญก็ต้องทําทานถ้าทําปุ๊บนี่ก็ได้บุญทันทีเลยเอมดแล้วเหรออีกคาถามเดียวค่ะอคําถามสุดท้ายอยจากคุณพัทละกรค่ะที่มีบางที่ถือศีลแปดให้รับประทานมัขามตอนบ่ายได้สงสัยว่าได้หรือไม่เจ้าคะ่ะ ก็แล้วแต่เขาวิเคราะห์ว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารเนี่ยถ้าก็วิเคราะห์เป็นยาก็กินได้แล้วแต่ อ, อที่อยู่นั้นเขาจะมีความเห็นอย่างไรถ้าเขามีความเห็นว่าเป็นยาก็รับประทานได้ถ้าเขามีความเห็นว่าเป็นอาหารก็รับประทานไม่ได้อ